สิกขาบทที่7ภิกษุณีบวชให้หญิงที่มีครอบครัวอายุครบสิบสองปีได้ศึกษาสิกขาในธรรมหกข้อตลอดสองปีแต่ยังไม่ได้สมมุติต้องอาบัตสองอย่างคือ 1. กำลังบวชให้ต้องอาบัาบตออบทุกกฎเพราะพยายาม 2. เมื่อบวชให้แล้วต้องอาบัตปาจิตตี